เ า, าหนน่อยเมื่อกี้เดินมา้ะมาติดรถกระุนนี้ พอมันว่วงแล้วเราอยากอยให้มันเกิดเป็นโสัจานุปิตคือคือว่าว่วงแล้วอยกให้มันเปลีรยง่วงมาแล้วมันจากโสัจานุปปจิตัด้วย่ามันจะําน้องนาจิตเราให้ตกอยู่แนวหน้างควมเกลี่ปงตกอยู่นหน้างคเตัณหาจริยามตัณหามาปรารถนาสุ ทำไมต้งปรารถนาุบเพราะในระหว่างที่ม่วงเงินอยู่นั้นมันทุ่งเหลือเกิว <c oughs> <c oughs> ความทุกข์รายไปด้วยอำ น, นาจของต่าขึ้นเกดขึ้นดัง น, น, นีใน้ในตรงนั้นถ้ามันสามารถเข้าไปรู้แล้วปรารุความเห็นเข้าไปรู้แล้วปรารุความเห็นให้มันพึเหิด ข, ข, ขึ้นมาเราก็จะ และถ้าสามารถที่จะรู้แล้วแปลว่ า, าความเบียดจนกระทั่งความม่วงนั้นหลุดออกไปได้เราก็จะได้ว่าอ๋อความย่างนยิ่งเพราะนั้นคำหนึ่งที่พูดกันบ่อยๆเรียกว่าอารัฐปีริยะคือการมีอารมณ์ประทับมีามปั่นคามปั่น ปารคความเพียนฝ่าบันปลารกความเปียนไม่ใช่ท้ายเราไม่หรอกเพราะไอตัวนี่ว้อนัวกนี้แหละนอกจากขีนมิธาแล้วมันยังมีความงุ้งซ้าดีนะข mm hmm. ีนมิธาเนี่ยมันมาจากความปุกปอันนี้ว่าไม่เรื่องของางจิตไม่ใช่เรื่องของท า, ารากาว่าเรื่องมันมนจะกความปุกปูจิตบนุกปูเพราะตัวรู้มันวอ เมื holy, <sinners> ่ที <treating downhill> ่เรานั่งหรือเดินตาบคือในวิญา่ใดก็ตามตัวรู้มันปอความปูหงุดก็จะเข้ามาครอลงำแล้วพอถูกงแล้วเไปนอนจริงๆนนไม่หลับเวลาไปนอนจริงๆอ่ะพอข้าไปถึงไม่ไวแต่เราเหนื่อยมากถ้าโดยปกตถ้ามันปดหงหถูก็ปข้าวกว่าความเปลี่ยนใจพอข้าไปถึงนอนจริงๆมันต้องไปทอย่างนี้ไม่ได้หรอกแ พอจะไปทำอีกที่จะต้องอาศัยตัวรู้ซึ่งตัวรู้มันกอนมันกอดหูมันก็ครงกับอ้วงเหลนแต่พอไปนอนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยลันลังนี่จับห่วนจับที่ทามั่นทำที่เรื่อยหวกน้นหวที่ทำโน้นทำโน้นนี่เาย่างไอตัวไอตัวรัวัวก็อ้ก็ายแต่พอจะให้ตัวรู้กมาทำงาน ใ้รู้ธรรมดารู้ดีออมันก็บวุยคำว่ามสามารถมันเกิดได้ไหมมันก็เกิดได้มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแ ล, ล, ล้วเราภาวนาที่มันจะทำยังไงรู้อ่ะมันอะไรมันไปทำอะไรมันไม่นด้รู้มันเลื่องปราความเปี Alzheimer ่ยนรู้มันเลื่อ <aged> <lifestyle> งปรากฏความเปียนเจ้ามันดับเวลามันจับตั้งแต่ความว่าตัวรู้ของเรา กูร okay. ู okay ้แขกในทีกรู้แขกในขึ้นมาความกูก็มดีลงไปเพราะความกูู้ดีราไปโม้ ม, ม, ม, ม, ม, ม้มันก็จะตื่นขึ้นมาในลนักษณะตืน่นขึ้าทะเลตื่นขแล้วบันทีมันเป็นจะๆๆรู้สึกได้รับคำตอบที่ถูกใจอาการแรแกแรกเราตระรนูะนะมันโอ้โอ เรื่องพวกนี้ถ้าจะไปศึกษาให้อาจารย์ต้องนน เ, รองเงงในระเนตุพินจริงจักเวลาเนริมยังง่วงใ่ไแต่เราไม่ไม่นอนไงหนึ่งเราไม่นอนสองนอนไม่ได้สามไม่มีที่ให้นอนเ <c oughs> น่ทำเนี่ยอย่างง่วงอ่ะก็ต้องอาศัยความเพรียนตัวกุมาใชาอื้อมไปเอื้อมไปเอือจนเด็นมันตีนออกไป ถ้าถามว่าแล้วอย่างเราเป็นแดงกันที่ป่าไม่แดงมีมางคนที่ไม่นอนแล้วก็มีมีไห้มีมีแลมันอยู่ได้หเพราะมันมีการตื่นเป็นบางครั้งอ้าวทาไมมันตึ่ื่นบางครั้งง่วงมันไม่ได้ง่วงตอดไวลาเลยทำไมมันตื่นตื่นบางครั้งเพราะไอ้โม่นมันถูกตีลงไพอจังหวดไหนที่ตัวรู้มันแข่แรงโม่มันนีลอจังหวะไหนที่ตัวรู้มันแก่งโม่อนมันก็ดี ยังความไหนที่ตัวรู้เห็นไดตัวอูมิเปลีนเาสังเกตเวลาเราเริ่มความเย็นเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันตึงแต่ความเย็นนั้นพอประกองไปสักระยะหนึ่งมัค่อยๆองความอุภูมิมันก็หม่ใช่ไหมความุภูก็หม่ได้จ้ามื่นเก้าเลย่าจะปได้มื่นไหมเจ้ เก้ากับโอ้โหกับเปนได้กี 9, oh. 9, ่รูปปอร์เซ็นสามสิบสามิสิเอร์็ตดกี่เก้าเก้าพันที่เก้าได้มื่นเจ็ดค่ะหมื่นเจ็ดกหนึ่งหนึ่งมื่นเจ็ดพันสามรเ้าพี่กี่เปอร์เซ็นต์ด้วยคะได้รู้อินูกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อไม่รู้เลย แล้วถ้าเกิดทำความเพียรเหมือนกับว่าเพื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราอะ่ะโดนนิวรณจริงๆกับบางทีร่างกายเรามันไม่ไหวจริงๆรเน่ยค่ะมันมีความต่างไหมคะไอ้ง่วงที่แบบโดนหลอก อาบางทีเราเจอนิวร์เนี่ยค่ะจะรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเราโดนหลอกกบบคือเหมือนกับเป็นความหดหู่ความเกลียดคร้านแต่บางทีอ่ะมันคือมันง่วงเพราะร่างกายมันไม่ไหวอ่ะมันจะมีอะไรบอกได้ไหมคะครับแต่ต่อคือนอนแค่หัวสี่ชั่วโมงนะฮะสี่ชั่วโมงเลยโอ ผมว่าว่ากิจการมากกว่าก็ต้องรู้ว่าคุณคือนอกี่ชั่โมงะถ้าได้สีนะ่ชั่วโมงเนะี่ยเยอะนเพราะว่าไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องให้เครียดกับอะไรเยอนะองเราหนึ่งนึงนาทีหนึ่งสี่สิบห้ชัวโนะมงน้อยไหวานถอาถ้าไ ก็ตามความรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกว่าเดินนะคะก็ก็เดินรู้สึกว่าเออก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าให้ย่ําแล้วก็รู้ย่ําไปแล้วก็รู้เงี้ยค่ะก็มันก็จะมีบางช่วงง่วงมากง่วงน้อยตื่นมากตื่นน้อยแต่พอหลังๆอ่ะมันก็รู้อะค่ะว่ามันไม่ได้รู้ร้อยเปอร์เซ็น แต่ทีเนี้ยมันกู้เกมกลับมาจะมาไม่ได้เหมือนมันยิ่งทลามพอเหมือนนิวอัลอันนึงมันเข้าอีกพวกที่เหลือมันก็ตีกันหน่ำกรุงมาจนไม่ไหวแล้วอะค่ะเนี้ยสินใจก็ก็พยายามพยายามจะวางใจใหม่แล้วก็หย uh, <IM> ุดแล้วก็เริ่มใหม่ค่ะก็ปรับจังหวะเรื่อยๆว่าอะเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยแบบลูบ้างอย่าเอามือไปาขหลังบ้างพอสักพักเหมือนจะเริ่มรู้อะก็ปล่อยมือออกมันให้แบบที่หลวงพ่อบอกว่าเออแบบอย่าไปเพ่งอะไรมาก แต่มันก็ซารับกันอยู่ไงคะคือเดินจน ร, รู้สึกแบบไร่ไหวแล้วเราแบบคอหลังสะบักอะไรเนี้ยมันเริ่มรู้สึกวเออหรือว่าเราเป็นที่ร่างกายเราก็เริ่มแบบเอะหรือว่าเราปูงอะไรเงี้ยว่าเราไม่ไหวจริงๆหรือจริงๆเราโดนหลอกเนี่ยค่ะ okay. ไราบะกลาไ้นะครับอโอเคิเนเงนีรเนี่ยผมกสอนเร่องเ แรกแรกที่ที่ปฏิชีพนะถา้าที่ามสอนเรื่องใหม่แล้วนี้ปติเราก็าว่าเราเรางง เ, นนเยอะนะแต่วันนี้เขาบอกว่าเขามีตัวตรริกรู้งงนะ้งไปอนกันนะแต่แบบพอไม่ถามเดี๋ยวให้เราทำดูว่าเป็นยังไงเราเราทำทีแรกเนี่ยเราไปเจอะไ้า โอ้ยมอกมาเห็นเท่าไหไรเดินเดินไม่เียไม่ได้หรอกแต่รู้ว่ามันไม่ตึงมันมันมันไม่ขึ้นนกครับก็เดินเดินข้างไปใอในใจยอมเดินกลับร้อนด้วนะผมเดินกลอนะครับจนตอนหลังเนี่ยผมก็หลอแลารหล่อข้างใ เราคิดว่าการเดินเท้าเนี่ยจับที่เราเคยเดินเท้าเพราะว่าที่ที่ปฏิบัติมาก่อดในวันนี้นะครับผมก็ตาความรู้สึกตัวที่หน้าที่การแล้วก็รู้ว่ามันรู้สึกที่กายก่อนแล้วผมเดินนี้เลยเดินจังหวะเดียวพอมาทบรู้แล้วก็ยิ้มรู้คือดที่ว่าเราเราเดินประมาณนี้มาแต่วันนี้ เราก็เลยเลื่อนใหม่หมาให้เดแล้วก็ดูก็้าเราเดินดูก็คิดว่ามันก็ยังไม่ใช่เอาไรู้กลงไห น, นไมีอีกตรงไหยอะไรอย่างเงี้ยก็งงแต่ไม่เป็นไรเรนะาครับแล้วสุดท้ายอ่ะมันมันเหมือกับคิดขึ้นมาว่าให้นนา่างนี้เราวางจิต่ยเหมือนแค่ี้เรารู้ลมหายใจสินะคระับกเราเน่เสียรูล้ลมใจ วางผิดผู้ลใจไม่คือไม่ได้ตั้งใจมากตรงใจแต่มันคือก็วางผิดอย่างนั้นแล้วก็รู้ว่าเมื่อวางผิดอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันไม่มีมันไม่มีฐานอะไรที่จะต้องเดินถูกไหมแล้วก็เราเดินเล่นๆไม่ได้อยากเดินลู่เท้าด้วเราเดินเล่นๆเราฝันว่าเดินไปเส้นรอบสองรอบทำใหรู้กายเห็นเห็นว่าเดินทำให้รู้ จิตอะไปรอไว้เลยเท้าส้ายย่างก็จิตไปรอไว้ที LC ่เท้าแล้วก็เหยียดขึมืนก็รู้ชั้นนี้นะก็รอก็รอทำเร่อยเรอย่างนี้ครับก็จิตไปรอที่เท้า้ายเท้าขวาเท้าจักกระดงพื้นรากฏว่าเออสักครั้งหนึงจิตนึ่เพราะมันตื่นมันบอกเอ๊ะมมาดูขนี่ครับก็ก็จะเดินทางนี้รม ก็ยังไังเหยียบเท้าว่พวกมันรู้เน่ทำมาครับปรากฏว่ามันไปสังเกตแบบไม่ใชรู้เนี่ยที่มันเูยเท้านนเนี่ยนะตอนนี้ที่เดินรวมๆมันเหมือนจะรู้ของรูอ้อารมณ์ดใจซึ่งําเนี่ยบอก็่าพุทนานะแต่มันไม่เคยมีสภาวะแล้วก็ไอ้เท้าไม่เดิ น, นรวมๆเนี่ยมันแ็่รู้เดียวแต่ไอ้รู้อารมณ์ดีในั่นแหละ แล้ว ม, ม, ม, มันเนะลื่อนกันพกเราไม่ได้ทำในเรื่บบอยจริงหรนะแต่ผมอ่ะไม่มาานะีสภาวแลองเราลนึ่งรมาบ่ายนาะให้รู้ประมาณนี้เนี่ยมันทุกเรียองมันจริง น, นะนะครับก็เลยส่งกันมาถึงก็พร้อมกับนี้นะตรง้อง่าก็ก็บ่ายนนจบแล้วมีต่างๆ น, นะครับ สรู้ว่า ต, ตื่นมาเพราะงงเนี่ยตื่นมางงแสดงว่าอี่มที่นั่ ง, ง ไ, งได้มั่งจริงหลับไปแล้วค่ะบอนทีการวามจิตมันสำคัญนะเราจะต้องแพ้ว่าอตามาพูท ไวตเปนิงแว่าเวลาไปวางมันจติดคนพูมันเป็นจิตของลคนการวางจินวางให้มันหมอะกับผู้เจ้าของวางให้มันหมอะกบผู้เจ้าของดิจันนั้นแล้วถ้าเราพยายามไปวางจิต ให้มันเหมือนกับเหมือนกับแบบเหมือนกับรูปแบบมากไปแล้วมันไม่เข้ากับเจ้าขอกมันมันก็ชาพาระวังให้มันมองกับเจ้าขอกซึ่งเราก็จะต้องรอกท่ต้องหอกที่ ม, มันเหมืนจะพูดว่าการรูปเท้ารูปเนี่ยมันอันเดียวกันแต่กับการรู ที่เราจะต้องไปวางทิศอย่างไรให้มันเหมาะกับเราทุกวันนี้ก็วางมาหลายปีเ <c oughs> มื่อมาลกวันนี <c> ้ <oughs> วางมาหลายปี <c oughs> คือผมก็ลงได้ทีนี้ก็เดินส่ายเดินเร็วเดินช้าเดินเดินเร็วเดินช้าจะเดิน อ, อกับกาลังกายหรือจะเดินแบบไหมแบบไห ม, มันก็รู้ได้เพราะว่ามั น, มนได้รอ่อง แ ม, ม้การวางจิตบางทีก็จะต้องอาศัยการลองพระเจ้าเป็นผู้ให้ลองปฏิกรรมะปฏิกรมะทดสอบเราเข้าไยรู้เข้าหลับรู้ยืนรู้หุนรู้อารมณ์อินเตร์วิ่งอิเตอรลีย ว, ยวปไปเลียวไปซสอมรู้ไปเรื่อยๆมันตงมีให้ลอง ใหซ้อมรู้เพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อให้มันเหมาะกับใจยาวอางแนนะคราคนมันก็ไม่ต้องไปซ้อมรู้อะไรออเอาเอาไปทำามันก็ได้เลยก็มีเยอะแยะไม่ใช่เรื่องแปไม่ใช่เรื่องแปลกได้ลยอันนี้หมายความาความท กบูเจ้าเจนคนนี้วาคนนี้นั่งมีมัดอยู่คนนี้ได้คนนู้นไม่ได้คนที่เจนของคนนี้ได้อารนคนนั้นได้ตัรับคนที่ตั้งใจไปียได้ตัรับไอคนที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเียนั่งนัางทำกนความเป็นนาอย่างเจนอนุบินาไอ้ทันเจษถเป็นกระวา เราเริ่มมีการท้ทายตัวเองไดู้้นเรื่พราะมันับหลักการเพราะฉะนั้นพอเรืองคนนั้เป็นเรื่อความเหมาะกับผู้เจ้าของนี่เราก็ต้องอัยแรความ เราม่อะไรดีเหมืกันตอใชไม้แล้วไม่มีแรงดันเราแรงตอกเราเราไม่สามารไม่เาไมสาร าก่กี่ข้อาจะใสเข้าใจส่ลไปที่เท้าก็มีขึ้น่ว่าเอ่อท้ายัดสนใจออกมาเดินรอบๆเดินไปเรื่อยๆรอบใจซ้ำๆจจับจๆไเดินได้ไดขึ้นที่เดิเราก็ต้อบอกว่าระยะทางันแค่ไหนเราก็เดินไปเย เส้นทางก็แล้วแต่สภาพสภาพชวงวันจันทรหลบไปางไปก็่วงดหรก็อยู่กับใจดูมาดูกับเช้าดูกับช้าจะได้ให้ใให้เราไม่ด้ดีกว่าคที่อ่ชนัทร์ในตาทีนี้อาจาจะจะจ ะ, จะถามว่า ทีอาจารย์บให้แล้วก็รู <Anh> ้จารหที่เเนี่ยเขาก็รู้ว่าขาเราทำงเลยใจใจใจทำงานไอย่าที่ขาแล้ก็ท่ากระทงเราก็รู้ว่าเท้าหรือแล้วก็ทุกาถามถามยคือว่าอยากจะรู้ว่าตอนนี้มีรลไหมไม่มีรู้ไหนตัวรู้นะ ไม่มีรู้ใดที่มันจะรู้โดยไม่ได้รู้ถ้าไม่มีระลึกมันรู้ไม่ได้ที่จริงครูครูบอไม่มีตัวระลึกไม่มีตัวสติจะไม่มีสัมปชัญญะถ้าไม่มีตัวสัมปชัญญะจะไม่มีตัวสัมปชัญญะแต่ถามว่าทำไมจึงต้องแยกให้เห็นว่าเป็นตัวระลึกที่มันรู้เวลาเราพูดก็บอกว่าระลึกรู้ใช่ไหม ระลึกรู้เราตัวระลึกิตัวรู้หรือสัมมาสญาแต่ว่าไม่มีตัวรู้ใรที่มันเกิดโดยไม่มีโัระลึกเข้าใจตรงนี้หมดทีนี้ทำไมจึงต้องแย้ให้เห็นว่ามันเป็นตัวระลึเพราะรู้มีกี่คนที่มันไม่ต้องระลกอาศัยการํา แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปรู้ในสภาพธรรมทั้งหลายได้ตัวรู้ตัวนั้นคือิญ ญ, ญาติผู้ในควา ม, มาแรกถ้าเป็นรู้ทันที่เทีย่ว่าวิญ ญ, ญาณเนการประมาณของจิเข้าไปรู้ในสภาพธรรมนั้นได้มันเป็นวิญญาณฐานพอมันเป็นวิญญาณฐานมันไม่ใช่ผูร้รู้ไม่ใช่ผูรู้ที่มันไม่ไม่มีตัวสติสามประจัญญะ เวลาไม่มีสติมันไม่มีสัมมัชย์ญะด้วยนะไม่มีสติแล้วมันไม่มีสัมมชยญญะด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้ที่ขารู้ที่ขาไออย่างรู้นี่ไอใจรู้เนี่ยมันเป็นผู้รู้เรียว่าเป็นสติสัมมชย์ญะแต่ว่าถ้ามันมีการกําหนดมากการกําหนดทิดว่ามันจะไปรู้ซึ่งมีเสียงดังขึ้นมันจะไปรู้เสียงเราไม่รู้ เราไม่รู้เราจะกำมือมันมัที่เท้าของเรามันมันกำมืรู้ด้วยใจด้วยด้วยด้วยจิตผู้รู้ไม่ได้ก็ใช้ตาดูตาดูว่ามันก็เห็นชัดใช่ไหมอันนั้นมันจะเป็นวิญญาอันนั้นมันจะเป็นวิญญาณะไรเป็นการทํางานของจิตอย่างหนึง่งเป็นธรรมชาติของมันแล้วเราก็เป็นเข้าใจว่ามันคือจิตผู้รู้ นันวิธีวิธีที่จะแยกตรงนี้ออกมาให้ได้เพราะว่ากูรู้กับจิตกูรูเขาคือว่าให้ใช้จิตเป็นตัวดูใช้จิตอย่ามาใช้การสัมผัสตายอย่ามาใช้ภาษาให้กูรูให้เอาใจจิตเป็นกูถ้าถ้ามารู้ที่เท้ารู้นี้ค่ขาก็เอ า, าจิตไปดูว่ารู้นั้น มันมันรู้จากการที่เราไปเค้นไปเพ่งไปเจาะไป บ, งบังคับมันนั่องถ้ามันไม่มีการเพ้งการเค้นการเจาะการบังคับหรือมีแต่แต่มันบอกมีแต่มันมีกําลังในการเจาะการบังคับพอมากรู้นั้นเป็นจิตูแต่ถ้าไม่ได้บังคับมันแล้วก็ แต่ว่าถ้าเราไม่บังคับมันอย่างเดียวอย่างเราเดินในระยะทางยาวพอเราไม่ได้บังคับมันมันนลุดหลุดเฉยเลยรลุดหายเลยไปเดินไปก็เดินไปอะไรยิ่งมันก็ลงแต่ไปเรื่ยแต่ไปเรือยพอลุกขึ้นมาได้บังคับให้มันมันรู้ สัมมาชัญญเขาจะทางนานชนิดที่เรียกว่าอาศัยกิจเป็นทางเป็นหาสาไปจากินลักแล้วเนื้อของม้นเนื้อขอ ง, ง้จะตรงถึงเนื้อขอ ง, ง้จะตรงถจะตรงถึงเอย่างกิจกิที่เกิดเชเท้าที่ก้าวเท้าที่ก้าก่อนนท้าจะก้าวไป มันยังไม่มีจิตจิตตอนที่เ้าจะก้าวมือจินคือการยืนใช่ไหมเท้าเราคือการยืนเราก็ไม่รู้การยืนตามควาเป็นจริงของแล้วพอเท้าก้าวไปจะมีตัวหนึ่งมันเหมือนกับเอตนาแต่มันเป็นตัวระลึกคือตัวสติระลึกเข้าไปที่จะรู้การเลื่อนไหปของเท้าซ้ายพอเท้าซ้ายก้าวไปว่าตัวระลึกไปนะ ไอ้เวลาเรารู้องนไปรู้มันไปไหมรู้มันไปเลยไหมมันไปด้วยรู้มันเกิดตามสิ่งที่เรารู้เลยเราเรารู้ไปมันรู้ไปแต่เราจะไปชัดเด่นเอาตัวรู้ตอนที่มันเหี่ยวใช่ไหมล่ะพราะตอนน้ำหนักที่มันไปกดมันจะเกิดการรู้ชัดตอนที่มันเหี่ยวแต่จริงๆรู้มันไปตั้งแต่เมื่อไหรตอนที่มันยกไปแล้วตอนที่มันเรารู้ลงไปปั๊บมันมันก็รู้ ก็เร่อเจ็บเป๊ะแหละฮะถ้ารู้ล้วแล้วเจบเป๊ะเลยฮะพร้อมกันเลยฮะก็เหมือนกันมันก็รู้ทีนี้เวลาเนไปเรื่อยให้รู้สึกว่ารู้ที่เท้ารว่ารู้ที่ขารรู้ที่ตวรรู้ที่ขาแรืรู้ที่เท้ารู้ที่ตแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยไอ้เท้าที่เจ็บมันก็รู้อยู่ด้วยอันนี้เกิดจากสอสาเสาเหตุที่หนึ่งก็ว่า รู an e an, a, i, en, ้ที่คือการต่อเนื่องสติมันจ <sincer> ัดย่าหูมันแข็งแรงมันก็ประจายออกมาจากการที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเคลื่อนหวนก็รู้ไปด้วยร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมันเคลื่อนไหวมันก็รู้ไปด้วยมันก็รู้กปดยแต่มันก็รู้ก็เหมือนนเนียเนว่าอไระองนี้แล้วก็เห็นตรนี้หน่อยเห็นตนี้นเห็นนี้น ก็เหมือนกันเมื่อตัวรู้แข็งแรงมันก็ตัวที่เป็นตายมันเคื่อนไหวสนใดส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวหมดก็รู้นันเพียงแต่เพียงแต่ในทางอยนหรือที่ยังมันเงเราก็จะไม่สนใจรจะไม่สนใจเราไม่สนใจทำหมเราไม่สนใจตรง้ครับสนอนี้ะคือ มีไหมที on, ira, hmm, ่เราเราบอกว่ามันมันจริงๆมันก็คล้ายๆแบบของสุวรรณแต่องสุวรรมันมีมนีคำพูดที่เคยคุยกันว่าที่รู้ในการเรื่องมันเมือนกับการรู้ทีนี้มันเรารู้เราวางจิตอยู่ในเดี๋ยวเาจะมาพูดตันเรกก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการวามจิต ว่าจริงๆรู้ลมมันต้องเหมือนจรรู้เท้ามัเหมือนจะการรู้นจกันไปแต่พูดบ่อยพูดหลายครั้งเวลานูหลายครั้งแตว่าไม่ได้ก็พูทุกวันิรู้เท้าจรู้เท้ากิ่รรู้แต่ว่าถ้าเราไม่มีสภาพแต่พูดอย่างนี้แล้วหมายอนี่เราบอยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ใช่ ไม่ได้หมายวาว่าอย่นย่ไปปรุงนเป็นเรื่องหนึ่งดีจะพูดถึงเรื่องของการภาวนาวันนี้วันนี้นุษับหนยทาบว่าเมื่อก่อนเาจะมาพูดถึงเรื่องการทาบุญยาใช่ไในเมื่อก่อนที่ เ, เราพูดในหลักการบุญญาไปเรื่อยพลเราทำบุญยาเสร็จแล้วก็บอกว่าสภาพอื่งรวมม้อดจะเป็นลม ปกติใช่ไหมพอไปลงปกติต่อมามันก็จะแค่ลงพอลงมันเป็นปกติไม่มีการกำหนดรือมีการกำหนดพอแล้วต่อไปมันก็แค่แค่รลงที่มันไปออกแค่ลู้ลงทั้เลยครับแต่รอบนี้เนี่ยตัดทอนมันออไปด้วยการเพิ่มความรู้จัำลงไปที่นิดๆนะคือเราไม่ต้องไปนั่ง ทำลมยาวนะตัดความรู้ชัดได้ตัดตัดลมยาวทั้นออกไปคือเอาลมปกติเอาลมปกติแล้วไปเพิ่มความชัดในที่นิมิตขอเพิ่มความชัดที่นิมิตเสร็จแล้วเฝ้ารู้ลมหายใจที่เป็นปกตินั่นแหละเอาแล้วมันจะยาวไหมมันจะยาวด้วยการเวลายาวด้วยการเวลาการเวลาคืออะไรการเวลาก็คว่าลมหายใจปกติที่เขาเคลื่อน ถาแต่ต้นลมฟัลงฟลมไปมันจะูญลมายใจที่เราเฝ้ามองอยู่ตรงนั้นตรงนี้มิดตลอดระยะของลงหมหายใจซึ่งลงหมหายใจปกตินั้นเราเรียกว่ายาวทําไมจึงเรียกว่ายาวเพราะถ้าเรารู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆลหมหายใจเราจะสั้นจิตเราก็จะหัดเหขึ้นพอทําต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผลของมันคือลมมันจะสั้น ลมมันจะเล่นเนี่ยมันจะสั้นพอลมสั้นมันเกิดอะไรทีนี้ก็ระยะลมสั้นใช่ระยะมันไม่นาก็เข้ารู้ระยะลงที่มันสั้นน่ะก็เป็นรู้ลมยางรู้ลมสั้นแต่ว่าตัดคอนออกไปเราต้องมือนเวลาเราทำลมหายใ้ยาวชักวครั้หนึ่งการจมูกยาวก็จะเข้าไปสู่ลมอุ่ปกติเข้าไปสู่ลมอุปกติ เราก็รู้ลงมาเราไปแค่รู้อันนี้เหมือนกันแต่ว่าตัดออกไปเพิ่มความชัดเจนเพื่อให้เพื่อให้เหตุตรงนี้มันชัดเจนและมันถูกต้องก็คือชัดเจนตรงที่นิมิตแล้วมันแยแหววระหว่างนิมิตลงหายใจเข้าลงหายใจออกอย่างนีรนุชบอกว่าออหนุ่ยบอกว่าโยนใจ เวลเวลาเวลาเวลาว่าตัวเองมันม <geht. S 1> yes, well oh well ักขับลงใจมากเลยจะทายังไงให้ความลงใจนี้หายไปก็บอกว่าก็กลับไปรู้ลมพอรู้ว่าตัวเองใจมากไปที่จุดเสรแล้วก็กลับไปรู้มอ่งบอกว่าับไปรู้มแล้วมันยังยังจงใจอยู่ยังู้สื่อควาับอยู่เขาอกฮัก็หายใจก็ไปไม่สะรู้แล้วก็ไปรู้ลม พอเออให้ลองทําดูพอหายใจก็ไปไม่ต้องไปรู้อะไรแล้วก็ไปรู้ลมที่ออกจะเห็นว่าความกำลังใจความดุใจหายไปเยอะบอลไปเยอะตัวรู้ก็มีกำลังมากขึ้นเห็นว่าเป็นการรู้ลมหายใจที่มีการรู้มากอันนี้มันเป็นเออมันเป็นมันเป็นแต่ละคน เรื่องพวกทัน ท, ที่จะสามารถความจินตะพูดมึง น, นี่เรื่องมีคํำถามาใช่ไหมที่เรจะถามใช่ไหมฮะหวยมัไอ้ น, นี่เราในเรื่องของสติปัญฐาเราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติแบบนี้ ปฏิบัติอย่างอื่่ปฏิบัติออกไปจากตัวไม่ได้ต้องปฏิบัติอยู่ในตัวนี่ในตัวเรามันมีอะไรบ้างมันก็มีอินทรียบ์บุญมีลมหายใจถูกไหมมีอินทรียบ์บุญมีลมหายใจมีท่ามันอยู่ในร่างนี้เราไปปฏิบัติแบบอื่นไม่ได้เดินนั่งยืนใช่ไหอหายใจ แล้วก็แยกแยะรูธาสีพิมน้ํามไฟไปเรื่อคือแนวปฏิบัาที่จะต้องู้อย่างนี้ทานไม่ได้แล้วก็การปฏิบัติธามของ่เจ้าก็ต้องทานี้ถาไม่ได้างอื่ไปไปแต่คนตอนเหนย ก็วอย่างที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตายเมื่อไหร่ถ้าไม่อู้เมื่อไหร่เราเอาวันนี้ต้องมานะั้อธิษฐานได้ไหมฮะกาหนดได้ไหมคะว่าตายเมื่อไหร่ถ้าเราเรามารู้ราเรามารูว่าจะตายเมื่อไหอร่ หนักตายเหรอนักตายไม่ต้องไปกำานรโลหตายแน่ๆวันนี้ก็จะวันทับวันนึยเดือนนับวันนึงทุ่ทีน้ัวน้ำนก็ไนหมดแล้ว่าคุยเรื่องประวัติศาสตร์ <c oughs> ทีนี้มลมยาวลั้นนี่ยเราก็คาใจกันอยทีนี้เราจะต่อแปลว่าข้อต่อไปก็คืออันที่สามอเราเราดดาาู้ลมสันกินรู้ะได้นรู้ลสันรู้ไปรู้ไปร้ไปพ่ออยู่ที่นี่ออยู่ที่ตั้ของเจตีรู้มองไปได้พ่ ลมหายใจมันอาจะมีสั้นมากสั้นดเป็นเสี่ยววินาทีเคยมีไหเคยเป็นเคยเคยรู้สึกว่าลมหายเซี่ยววินาทีมันมีแค่เซี่ยววนทีแล้วก็ในเซียววินาทีนั้นรู้สึกไหมว่าเรามีสิมีสไม่หุนันไม่นหันมี ถ้ามีเสี้ยววินาทีนั้นเรามีสติแล้วก็ไม่มีอาการแล้วจิตรู้อยู่ไหนอยู่ตรงนี้มิตรพื้นานที่ดพอจงอย่างนี้อะไรปรากฏกุมิขาอกุิขาปรากฏตรงไหนก็ปรากฏตรงนี้จิตรู้จึงอยู่กับกุมกขาที่ว่ารู้อยู่กับกุมกขา ทีนี้มันว่าจะตัวรู้เนี่ยมันจะมีกําลังสว่างใสและก็คงในการที่จะรู้ลมหายใจในขณะที่รู้ลมหายใจนะั้นมันจะรู้ละเอียดแม้ลมหายใจจะสั่นแต่มันจะรู้ละเอแล้วก็จะขยายที่ที่บอกว่ากังสดาลนี่เราตอนนี้ถว่าเป็นกังสาลเนี่ยมันจะรู้อ่าน ในระบวการของการจะรู้รู้ไปเรยอันนั้นเรียกว่าสัพพายะปัญสเวที่เีว่ารู้กาย้วอันหมายถึงลมหายใจนั่นแหละแต่ว่ามันคงช้าและก็จะกระจายรู้นั้นออกไปสู่กลยสเป็นธรรมชาติออกมเป็นอย่งนั้นที่มันรู้ออกมาเองนั้นอนี้เรียว่าขั้นที่สามสัพพายะปัญสังเนแล้วเราจะทำในไห เวลป็นตั้ต่าอนนี้ยังงั้นเราต้อคุยใ้ไดเรอจำอกว่าสักพรื่องเวทีอสัจิสมีิสิกติให้สมเนียงรงับไว้ณขณะนั้นว่าเราจะอยู่กับตารรู้กายทั้งวงอย่างเงี้ยรู้ทกองรู้ทั้งรกายรู้กายทั้งวงอย่างเงี้ยพลมหายใจวาก็รู้มอา ลมหายใจเข้ามาก็รู้ลมาใจเข้าลงหายใจออกมาก็รู้ลมหายใจออกลมหายใจนั้นขณะนั้นมันจะบอกสั้นว่าแล้วก็เบายามว่าแต่เป็นลมหายใจที่ต่างันมันแผวเหมือนือบไม่ได้หายใจแต่เรารู้ด้วยจินรู้ที่มันละเอียดเนี่ยแม้ลมหายใจมันบอกาแต่จินรู้ที่ละเอียดมันก็จะรู้ว่ามีลมอยู่อันนี้เรียกว่ารู้กายสัมผัสใจอันนี้สัมผัสอีกเราไม่ต้องไปตามอะไรด้วยหรอก อยู่กับรูปเอ็นขาแล้วคอยรู้ลมหายใลงไปตรงนั้นคือลมยุดโดยธรรมชาติรู้ลมหยุดโดยธรรมัรู้กายต้องพัโดยธรรมชาติเวลาเราเรานั่งก่อนนี้ที่เราไม่ได้จับความดับไม่ได้จับระเบียบขั้นตอนพวกมันไอสน่งที่พูดเนี่ยมันเคยเกิดกับเราทุกคนแต่มันเกิดกับกรับเกิดคัั ตัวป <dreams> ah. <lor, viele> <ations> ๊บเดียวเราก็ไม่หัวมันเป็นอะไรพอมาตัวแป็บเดียวหรือตัืหลงลงลึกไปกลายเป็นหัลงลึกไปจนกลายเป็นหัวพอมีขามาจิตเริ่มมีเอจับหน้าตาจิตเริ่มมีเอจับหาตาลงเราลงร่องลงไหายไปพอลงร่องลงไปเราก็หายไปทันี้พอลงร่องไปแป๊บแป๊เดียวลงหายใจ อย่ามาได้ตรงหมายามาดแสดงว่าแม้รู้ตัวมาเกยวกัสอันนี้เราไม่ต้องไปทาอย่างน่นรู้รูไปืเรู้ไป่อย่อยอู่เราก็มีขาวแล้วมันก็จะรู้สภาพของลมสภาพของกายตามที่มันรู้ได้ของมันั้นไม่ใช่เราเข้าไปรู้ไม่ใช่เราจะไปกำหนดที่จะรู้รู้ผมมาจดหนกาไจนลมมันหยุด จนเราชัดเจนเลยไอ้รู้ที่มันละเอียดเนี่ยวามที่ความทีลงที่หยุดเมื่อก่อนที่เราเคยําให้ทําให้รู้จักตระหนักว่าการกําหนดลงให้หยุดกาหนดให้มันหยุดกำหนดให้มันหยุดเรารู้กับความที่มันหยุดกําหนดให้หยุดแล้รู้กับความที่มันหยุดจนเราคุ้นแล้วแต่แต่รู้ที่พูดถึงหน้ทางการนี้หมายถึงรู้ที่มัน รู้การอยู่ของลมโดยธรรมชาติจากที่มันสั้นแล้วมันละเอียดละเอียดแล้วมันก็หยุดหยุดจริงๆไอ้รู้ที่รู้ว่าลมหยุดจริงๆเนี่ยตรงนี้เรียกว่าปัสสมักายัง ข, ขรัอัาิาวีสเ่ขั้นที่สันที่ไอ้ตอนนี้จะมีในระหว่างขั้นที่รู้ลมสั้นขั้นที่สอง รู้กายรับดวงกันที่สาและขั้นที่สี่จะมีสองอย่างพรออยู่ด้วยคือปิติกับราบุมันจะมีปิติมันจะมีราบุปิติไม่ได้หมายความว่าโลดโผนโยธยาณนะแต่ลักษณะของมันจะเป็นอาการอาการรุนเรืงมันจะรุนเรืองช่มชื่นเย็นแล้วก็เวลาเวลามาถึงขั้นที่ที่เราหมายใจะมุ่นจุดระฆังเี่ ทีต่ตัวนี้กาจะเสาวัวมาก็เหลือแต่วาปรามที่มันดื้ออสีวัตถุสีขั้นซึ่งเวลาเราภาวนาไปพอทำเหตุหแต่ละข้ออย่างต้องมัเดเฉประโรเรอเครพวกนี้เองคือธรรมชาติอันนี้ไม่ใชรองเรื่องที่เราจะต้องไปจัดการไทำอะไรกับพวกเนให้รู้ไว้ถ้า ถ้าทำแล้วมันไม่แน่นอนคือว่าไม่รู้มันจะถูกหรือไม่ก็ไปเปิดป่าไม้แดงที่รูปปร้ว่าแล้วก็ปฏิบัติลักษณะของการขึงการกำมือขึงการกำมือแล้วก็ให้สภาวะ่าพวกนี้มันปรากขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้แล้วแล้วก็มาแล้วก็มาปฏิบัติตามในวันนี้คนี้งนี้วันเสาร์เมื่อวาปฏิบัติตาม่วานเพื่อให้เป็นสภาว่ มัราวารชาติคุณก็สนร่เริงกอบนี้เ <permite> น <making navy> ี Lord, ่ยเราจะต้องชัดเจนในเรื่องของนิมิตใปฏิปุระปฏิปุระทีัเกินเยอะและอธิบายออกทะเลมาอธิบายที่เราจับแต่ตเองไม่ได้เราก็เข้าใจกันแต่ว่ามันเกิดเอง ใช่ไหมวันนี้เราบอกว่าเราต้สร้างแล้วก็สร้างด้วยอะไรการเาว้นั่นสนุกต่างๆนี่สร้างเวลาเวลาเราได้ยินใครก็คนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเห็นอิตเห็นผู้รู้เห็นนั่นเห็นนี่แต่พอไปดูในวิถีชีวิตปกติเป็นไง ใครดีว่าแก่วยบุ้โมไปเยอะนักหูโกรโอ้ยโอ้ยโอยตีว่าว่าดูพินิโซมไปเยอะนักหนูโกรดสามัาคืนนะอย่างนี้ใช่ไหมมีมีไหมบทที่บอกว่าเราใส่ชันะ้นนั้นนี่เห็นอย่างนั้เห็นอย่างนี้มันคนต่อการกับแคกของตักษารไม่ได้สแสดงว่ามันใช่ไหมมันไม่ใช่ แต่ใครเขาโวยเราลองอินชาเราอินชา้อินชาได้แต่เราต้องรู้ว่าเฮ้เราก็อินชาคนนี้ถูกไออินชาอะไรที่มันสาารอินชาได้แต่เราต้องรู้ว่าเราก็อินฉาเห็นคนที่เคยโวยโเราอินชาเขาแล้วเขาโู่ตมาเขาเกิดจนลำบากเรารู้สึกสาใจ ความวิจารณ์ยอยู่ใช่ไหมความวิจา้ณ์ยังอยู่มันต้เลยสัใจพราะสั่เฮ้ยไสัไ่ง ไ, ได้ใช่ไหมเราก็้องานอย่างนี้เนี่ยเรารู้หนกใช่ครับที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าทผู้รู้ตัวสติสัมปชัญญะที่บอกเนี่ยมนยยนันจะต้องหลอเลี้ยงเนชีวิตปัจวัยด้วยการทําจัดทาส เราจะต้องให้จิตผู้รู้หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยการากาจัดถามภูษณ์เรามีไหมอัตภูษณ์โอี่เราจะต้องให้จิตผู้รู้กำจกัดอัตภูษณ์จิตผู้รู้ที่กําจัดอัตภูษ น, นั่นคือเขากําลังทําหน้าที่เป็นมหาประการมหาประการก็คือความเพียร์จริงใหญ่ ถ้าไม่มีสติสันทะยั่งเพียงพอมันจัดํำจัดอาภูสลไม่ได้อาุสลเพราะเพาะมามีเหตุที่ถูกต้องเพราะเพราะธาจะเกิดเพราะมันครอบกรรมพราะธรรมาจะเกิดเรามันครอบกรรมเอาละเรากฎบัญัติทำไมดีเราฏิบัติให้สติฉันทะยั่เราก็้งมาทำไมเราก็ต้องให้มังกยนี้ที่ชีวิตของเราในแต่ละวันในแต่บบและวจัดอาภูสล โดยเฉพาะอาุธศพที่มันเกิดบ่อยอาวุธศพที่มันเกิดบ่อยเราทําได้ด้วยอย่างไรก็ตรวจสอบรูปนามนี้ว่ามันมีนิสัยสันดานอย่างไรรูปนามเนี้ยเอาชื่อออกไปชื่อโวยชื่อวุ่นชื่อมารีชื่อเทียวชื่อเห็นกาชัยชื่ออะไรแบบนี้เอาออกไปให้มันเหลือแค่รูปนามแล้วดูมันไปตรงๆสิอย่ามองวาเป็นพ่ออย่ามองาเป็นเจ้าสาว มองว่าเป็นว่าที่หอหอมอย่มองว่าเป็นเกนะอย่ามองว่าอายุมากาน้อยแต่มองว่าเป็นรูปงามดูตรงไปที่ลูกงามนี้ว่ามีนิสัยสันดาโดยเงค์ู้ร้่าราชอไปในรูกงาม่ังนมันจะเป็นลูกงามหรือลูกงาเนี่ยไป เรื่อวอุสอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบ้กตองรวามันมีอะไรมาบว่าหรือว่าตาระลึกมันว่าวันวนอย่างวันนี้ใช่ไหมเรากมาอยู่ตอนนี้ตอนอเนนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาถึงี่มันมีอุสนอะไรที่เกิดกับต้นนี้มัน ใ้มันได้รู้เยา่งหนงสองสามนั้นสองแน้เรื่ยๆไปให้ก็ทใจไเลยว่าเราละรับผู้สนให้สติสัมัญญาให้รู้รู้รับผู้สไม่ให้ผู้สนนั้นตัวนั้นันั้นเกิดขึ้นมาไับจ้อถ้าเราทำได้มันจะทำให้อะไรสติสามัญญะของเรายิ่งมีกำลังแเ็งแร ิมีกันมันอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนีดของประเทศอะไรทั้งอย่างยิงตัดิงคมิงถี่ยิงปกอีกใชยิงขอ่ะมีดของเรานไม่ต้องรับมันคมในการใช้ไอ้ตัวนี้เหมือนกันิรับได้เท่าไรยิงหพระพทะเจ้าเลยให้มดไปว่า จิรวาเนี่ยีวาังมิสินดยวาสนีตรกิตเักนเนีตามาเพราะจะยืนก็ตามนั่งก็ตามเดิก็ตามถ้าอกลอันใดเกิดอกลอเกิดเราจะต้องทำยังหยุดอกูลนั้นแต่พระพุทธเจ้าใช้ถาว่าิตรกงสมัยนตวานะ ความคิดอย่างอักบความคิดอันเป็นอมสุนันให้มันโสมนัสเรียกว่าละลายความคิดอันเป็นอมสุันน่ะคือพอมันได้ด้วยกำลังของจิตผู้รู้หรือของตัวสติสัมปชัญญะนี้แล้วมันสามารถอยู่นามสุนันนันได้และเรารู้ว่ามันหมดอาจไปแล้วดับไปแล้วมันก็จะเกิดความโกลว์คว การทำหน้าท <ừ. S 2> ี่ของสติเราป็นระะที่เราคูณผลอมาเพราะก็อยู่หนังอุศนได้ข้อติมันจะเกิดความโกรธโลภกับเพราะหนอุศนทุกตัวที่เกิดขึ้นหนักไหมเวลามีงอุนอยู่ในใจหนักไหมโกรธหนักไหมจิตจนิสัยหนักไหมโอยมันมันไม่ใช่หนักในใจนะมันหนักมาถึงหนังมน้าใช่ห ูควิาณอโมจมันจะเกิดอาการโรโ ล, ละะ่งกว่าแลสบายความโรโล่งจากตาที่สติสอน ม, มันจะเข้าไปดับอัต โ, โนมอันนั้นพระพุทเจ้ากล่าว่ามีตัปปุวัสเวตุลมันจะเกิดฉัน ท, ทัดจริงร่างโตนี่คือฉันทั พระโตตัวนี้แปว่าความยินดีเนี่ยแต่มันใช้ฉันโตไม่ได้เพราะจะไปสนทิกับม่ตัุปูไม่ได้มันก็เป็นศัพว์ที่เป็นวัยพดทเก่ดการสามารถใช้แต่นะกระโตนแปลว่ายินดีเหมือนกันนะพระโตตัวนี้นจะได้วิตตูป่ปตะเวกระโตมันจิตมันจะเกิดความยินดีในการสงบและการดับไฟของอารมณ์มันเป็นเรื่องขึ้นมาหทีเลยทีนี้มันเป็นเรื่องขึ้นมาหทีเป็นเรื่องขึ้นมาได้ยังไง ถ้าเมื่อใดทจิตรากินดีจิตมันยินดีในการที่อากูสนมดาอะไรเกิดทันทีเลยเป็นกาลา ง, งาเป็นกทานําำลังที่ดีโอตะปะจะตั้งแท่งดีโอตะปะจะตั้งแท่งแล่นทีสติสัมปชัญญที่มีมันจะขวนหวายในการขัดเกล่ากำจัดอากุสลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น แต่ในเบื้อต้นเนี้ยเราจะต้องเรียนรู้ตรวจสอบให้ได้ว่าเรามีอกุณสไอ้นามนุ่มนี้มีอกุศลอะไรว่าในแต่ะวันที่ เ, เราจะยืดมันยืดมันยืดมันยืมมันให้ได้เพรมันยึมได้นะรู้ว่ามันมีานะามากเลยเราต้องตื่นการโผล่อดสันีิจะโผลบอรืว่วงมากของสันติจักรวายะ ถ้าสติจตระหนั่ยเข้าไปจาัด ก, การจิตนี้ให้มันถูกเบาด้วยการดับอคุศสได้มันก็จะเกิดความยินดีความยินดีในความที่อคุณส่วนมันดับมันก็จะเกิดโน้ก็ไปเพื่อความฝืนไหวในการที่จะขัดเกลี่งขึ้นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ผู้รู้รสติจตระหนั่นนนน ง, ง, งเราหล่อเลี้ชีวิตในระว่างหลงเลี้ยงชีวิตในรว่างนี่น ลูกป uh, ูนป uh, so ูไม่ใช่เราทำไงอ่ะนะใช่รัอแล้วก็ใช้ก็ใช้อย่างนี้อันนี้เป็นเรที่จะต้องพูดแลวกต้องความเขาใจกันว่าแตาเราก็ไม่ทาตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้รูปงามนี้มันจะเกิดโอกาสให้เราได้ทำหรเปล่าอันนี เดี๋ยวตัวรายแล้วเก็ไม่รู้ใช่ไหมดิโควินตอนนี้มาสายพัดไม่มาเองมันก็ตัวนี้ที่สายพัด อ, อาจารย์การที่จิตผู้รู้เนี่ยนะคะอันนี้มันถามที่นี่เกิดคือคือเวลาเราเตรียมตัวตัวเองเนี่ยที่เขาบอกว่าเวลาเวลาเวลาเราจะจะก่อนตายเพราะที่มันมีเวนนะนเรนาเยอะๆ่างเราจะฝึกจิตผู้รู้ยังไงให้มันให้มัต่อ ก, ก่อนกับเวรนานะ ในในตอนสุดท้ายเปลี่ยนวางทีแค่ปวดเมือเอมเรร่อยก็ยังแบบทำไมนะไรนะคะมันยังมันยังตรงประเด็นกัจมันยังอีกทีเลยค่ะถ้าสมมกับ่บวนนารณ์จิตที่แบบสุดท้ายหล้ายากัวิญญาณส่วนมากที่คิดเกียจคือคิดเกียจตอนนี้แปลว่าวันหนึ่งวารณ์เราด้ตายนมดแล้วแต่ว่าอนนี้เกียจเแค่้าเราจะทำยังไงดีเนาะเราจะทยังไง เราไม่ไรู้ขอมตายกนยิบเลยสอนตายสอนตายให้จิดมันเกิดความุเข้าใจสอนตายน่ะสอนตายให้จิดมันเกิดความเข้าใจว่าเวลาจะตายเราควรจะทํำยังไงมันเป็นความคิดที่ผิดมากเอ้าเรามาพูดพระพิจารณาดูเป็นความคิดที่ผิดมากเพราะอะไร เพราะว่าเวทนาที่ไม่้จะตายมันยังไม่เกิดและเราไม่สามารถที่จะเอาเวทนาใก้ตามามาอยู่อย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นคานเดียวคือที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือพัฒนาสติสัมปชัญญะให้ผามีกำลังมากอ เ, เวลาผมมีกำลังน่าพอเนี่ยอย่างในอาานามานสติขั้นที่ห้าหกเจ็แป เป็นเรื่องของเวานาารขั้นแได้ไม่ต้องกลัวแล้วจะขั้น่ไหขั้นไหนไม่อง้ลวลทาขั้งตัวไม่ต้องลวาขั้วไม่ต้องกล ไม่ต้องสนใจใเรื่องตวทนาไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเรื่องของเวทนาทั้นหมดอยู่ในอ า, า, านาบาลนินตติขั้นที่ห้าโอะจุดแปดมันเป็นความคิดที่ผิดมากแต่คนชอบเพราะอะไรเพราะคนกลัวตายกลัวจะต้องไปทุ่ตนแม่ตายจะทำยังไงดีเนี่ยก็จะนั่รูหัวกันแล้วก็ซ้อมตาย ซมตายอะรองเงี so ้ยนเรื่องของารตายเ่ยมันไม่ใช่เรื่องของการซ้แต่ถ้าการซ้อไปสนับสนุนมรณาสติเนี่ยแต่พระเจ้าก็ได้เราทำไให้เราจะเดโมรณาสติให้เราพิจรณานัาลึถึงความตายบ่อยๆาความตายบ่อยๆเราเพื่อเพื่อไม่ใ้เห็นว่าเราตายแต่เพื่อให้เห็นว่าความตายคือความจริง เมือเ่อจิตม so ันสามารถไปยอมรับความเป็นจริงอันนี้ได้มันก็จะทำให้เราไม่เดือดร้อนในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องของวิีศานาเขาใจไหมเพราะในเรื่องของความตายเราู้องึงเรื่องของความตายวามยมันก็กำลังลามากเลยมีทุกวันเยอะเยอะยังไงีะนี่เลยนี่เกิดโจทย์ขว้นาไปไม่ต้องหมดอะไรกต้องเป็นสุดนตัวนี้ ก็ไม่ได้รู้ว่นี้นั่งวิ่งในคำมันเขียนยังไงยังไงยังไงนันพูดวมากที่สุดเแต่ถ้าเราไม่พิจารณาจนเห็นความตายมันเป็นสัจจามันเป็นความจริงอย่างนั้นมันถ้าเราจะไม่กลัวมานเราจะไม่กลัวความตนพอเราไม่กลัวความตายแต่มันไม่ใช่เวลาเพราะแต่เวลาเวลาเราไปนอนติดเตียงยูอ่ะ เจ็บปวดรอนโอยเจ็บมากมากเจ็บเป็นเกลียวเจ็บเป็นก้อนเจ็บเป็นไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจนกระทั่งหมอต้องให้มอปีเพราะในเรื่องของเวทนาเวทนาไดตายหมอเชื่อไมอี่เดียวฮะหมอปีอย่างเดียวเออมอีเพิ่มปริมาณเพราะว่านไม่ต้องไปปวดนะไม่ต้องไปวดาจะติดโควิดนายังไงมัก็ต้องตายอยนไหม ก็อักเก็ตไปแม่หล่อักก็ตไปแม่หล่ห ม, มอช่วยได้หมอช่วยได้แต่บ า, าทีก็กูคนตาิเอาไปไม่ต้องพูติึแล้วบาทีไม่ต้องพูดแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะไปชนะพิจนานะเจ้ติง น, น, นี่เรามีการช็อตายกันเยอะหลายมืองานหลายบุคค แมนกระทั่งของพระนี่ความกลุ่มเก็ทํำกันคารว่าคนกูุก็ทํำกับพอเอาออกมาจริงๆถ้าสติสัมปัญญะมีกําลังไม่พอซ้อมแค่ไหนไอ้ตอนที่เราซ้อมเลยเรายังไม่เป็นรู้ว่าพอที่มันนอนซ้อมซ้อมตายกันนะมันไม่มีมันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทําให้เรารู้สึกได้ว่าเรากําลังจะตาย แล้วเรหไมนมีปัจจัยทาให้เรารู้สึกได้ว่าเรากำลังจะตายสิมันที่สอมาเนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมนะแจะบอกให้ว่าเวทนาไร้ร่างหนอันนักจริงมันจะบินเป็นเกลียวเลยบิดแล้วบิดอีบิดแล้วบิดีบิแล้วบิอีบเราเห็นคนๆที่เหมนไม่มีเวทนา ไม่สุนทรีอาลูกไหมไอ้ที่มันไม่จิ่ร่างกายมันไม่กระสับสายเพราะว่ามันจะสับกรสาไม่ได้แล้วมันอายไปแล้วแต่จิตมันยังอยู่การที่มันโดยเฉพาะตองที่คุรียกมร์นสานวิธีในขณะที่จิตมันจะเคลื่อนบอกจากตายที่มันยึดติดว่าตายเป็นของมันเรื่องมันเราเราจะแตกมันจะเคลื่อนบอกอิจฉาที่เคลื่อบอกเนี่ยสามารสาระในโลกจะหมุนอกไปบไหนแล้วจิตในขณะนั้นมันมีคขันไหม มีขันวะถ้าไม่ใช่อนยิยมยังมีขันไหมีขันสี่คืออ่ะนนะคือสัญญาเวทนาสัมผาสแล้วก็วิธรามที่นะะ่ะระนัดมีอยู่4ค่ันที่มันตัวสีขันเนี่ยครับเราจะปินเคลื่อนออกอย่างการนี้ พี่ว่าจินวิญญาราน้ากสัมวิทยไ่ต้องหวงไอ้กอนน้ำอะไรเศษบาเศษกรที่เราทาไว้ต้งหมดมันก็ตกอยู่ในในอะไรในวิญญาเพราะฉะนั้นจะหวังว่านานีนั้นจะได้เศษเศษผู้สนนะเพื่อที่จะไป เราดีอ่าวาราบิน ม, มรณะสันติสุขใคตัวเดียวมันช่วยได้คือตัวสัติชาวประาชนสันติชาวประชาช น, นที่เขาแข็งแรงขึ้นมาที่เราฝึกกันอยู่นี้ที่เขาแข็งแรงขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาเมื่อถึงตอนนั้นเนีย่ยมันจะแยกติดออกากรางกายายจะเป็นจิตรู้รของจิตพ จิตผรู้ที่มีกาลังสติสามัญญามากพอในระดับนึ่แล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลานั้นเกิดมรณะสามวิถีขึ้นมามันจะเห็นกายเป็นเรียสีทิศผูมันจะแยกออกไปในธรรมชาติของกำลังอิมอมีมันเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึนสติปัญญาเข่านับเลยไออย่างอื่นเนี่ยเป็นกรรมฐานประกอบเช่นว่า อาสวัสดิ์เยกายยาตาหรืมรณะสติเอวยเบตาภาวนาเออยเป็นกรรมฐานสาหรับที่ยามมาประกองไว้ไม่ให้จิตไหลออกไปกับอำนาจของกระแสอารมณ์มาตอนนี้ประคองสวก็จิตให้มันฝึกอยู่ในสติแบบนี้ถ้าไม่ใช่ต้นสติานผิดทาาจมารว่าโลกนี้นะ อะไรที่หายไปในโลกนี้หายได้หมดเลยแต่ในส่วนภาษาดนึ่งเพราะอย่างตอนเนี้อย่างเมื่อวันแรกยิ้มได้ว่าเรามุนก็ะเข้ามากอย่างโลกเริ่มในยุคต่อไปไม่รู้มันจะมีอะไรอยู่แต่แผนงานที่ที่ี่โลกได้วาไว้ดูเน่ยดีมาเลยไม่ไม่เห็นของไม่ดีเลย มันเลจะเป่าหมายความว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้เป็นไปได้มไม่ได้เป็นไปได้เพราะในเรื่องชีวตมันจะถูกปีนขั้มากที่ึ้นมากที่ึ้นมากที่ึ้นมากตัวที่จะช่วยเราได้มีตัวสติปัญญาตัวสติปัญญาคือผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอันมีกำลังถ้าสติสัมปชัญญะไม่มีกำลัง มันจะทนทานอยู่ในกระแสโลกนี้นะ่ไยิ่งในโลกของเทคโนโลยีในในยุคตลอดไปมันยิ่งมันมันยิ่งอยู่ยากมากทุกยุคทกวันทุกปัจจุเราไม่ดูอะไรไปดูแค่ต้นทุนในการใช้ชีวิตต้นทุนในการใช้ชีวิตยังไม่ได้รู้จากที่นอนเลยเมื่อก่อนนกินเป็นท้นสนิยม เป็นท่มาหลับต็เต็น่ินไปหลับ่อยต่อมันกินไหลับเดียนี้กินหลัร้อยต้นทุนเราอยู่จะยๆอยู่ที่บ้านต้นทุนเราแล้วในอนาคตมันจะต้องเป็นอยู่เพราะฉะนั้นโลกมันถูกรุกรานตัวรูปงามนี้มันถูกรุกรานด้วยกระแสโลกในภายใต้ชื่อว่าวิวัฒนากา โลกนาำนี้มันถูกกระทำด้วยกระแสโลกภายใต้ชื่อที่ชื่อว่าวิวัฒนาการนอยางตัวที่จะทาให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างพละนวมอานและจิตสุขคืับสติปัญญาที่เราควบมกันอยู่ด้วยมิใชน้ำที่อยู่ยากยากมาก ถ้าดูการแบ่งแยกคนเมื่อก่อนเนี่ยธรรมชาติมันเบ่งแ็สมมุติธรรมชาติมันเป็นแยกคนไปหินชาย่ไหมเีย่จิงก็ไใช่ชายก็ชาแล้วก็แาบอย่างนั้นมาก็แบ่งแยกสูงต่ำต่ำข้ายจนยเรื่อยแบ่งมันยตามยุคตามมัยแต่ในยุคนี้ในยุคุกัน มันแบง้ยืดยิมันเองมันแบงอะไรเราซอยยียิบเลยที่แบงแยกกันยิบันอยู่นะพวกที่อยู่บัตตีน้อยู่ใจทอว่าเดี๋ยนี้เป็นอรเราคนนันท่ารมเราเนี่ยรูปนามนี้ถูกแทรกแซงด้วยกระแสโลกภายใตช่ีว ว่าแบบโลกเราบอกว่าบโลกพัฒนาโลกเจอแต่ไท้มันแทรกแทรรูปนานี้ให้มีรหมาเรก็ตามตามที่คำพรธาศาสนาแต่ไม่ใช่ระพุท้านะคาพูดที่มีคนเขากันว่าอันปีอะไรยไม่ใช่พระพุทธเจ้านะคำพูดของพระเจาราชที่พูนมา แต่ที่ทำตัพิ่มก็มีเหตุผลเหตุผลเราต้องร้ว่าอำนาจของกิเลสมันมีอำนาจมากอายุมนุษย์ต้องลดน้อยศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเทวานิยมเชื่อถือในเรื่องศีลจัศีล่อถือในพระเจ้าอะไรอะไรมันจะหายไม่ได้พวกมันก็จะเหลือแค่พุทธศาสนาี่แลบที่จะอยู่กับความ เห้นดและมันพุทศาสนาก็ที่ที่มันล้นล้นล้นล้ก็ถูกอมน่ะแลวมันจะเหลือแต่อะไรมันก็จะเหลือแต่สติปก็ญาเหลือแต่สติปัญาที่เป็นวิธีดารปฏิบัติในลักษณะขอาเรียรู้ก่ับทางวทยาศาแล้วก็ตรงตามที่พระเจ้าตรานะพระพุทธเจ้าตรว่าเราความรู้ในป่าไปไม่ต้องป่าในแต่ที่เราสอนรู้แค่คำเดียวคืออะไรคื สิ่งที้เกิดทุกความบับทุกและการปฏิบัติให้ถึงความบาปทุกเนี่ยที่เราสอนเราต้องนั้นเราไม่สอนเจ้าไม่สอนแต่สติปัฏฐานมันมีไปถึงไหนมันถึงมุตใช่ไหมหรือความมุตแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเนื้อแท้ของพุทธศาสนาที่เรากาลังปฏิบัติันและอีกหน่อยหนึ่งเราจะเป็นวิชาที่สำคัญแต่ถ้าจะทาลายเรานามุตทำลายราตัวนี้ ทำาความรู้ในชั้นของสติปัสถานนี่รัรองไ้าบูกษเห็นแล้ก็หลังจานี้ยังมีการปฏิบัติอยู่นะเชื่อว่าทำายยาที่จะพูดในพวกเรงทางมันเนี่เพื่ออะไรนะเพื่อมาถึงตัวเพื่อถึนขั้อย่าไป ไม่แพตอวนวลจะไพ่แพ้ตัวนคิดตัวเด็กจาเนี้เรามาแล้วตัวเด็กลูราไหมมอทไนาบางเี๋เดี๋ยวเขาไอน้เดี๋ยวตันวลไปนี่แล้วกุมชาเดี๋ยวีกม่วเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตัน้องนี่นั่งโผล่ตัวรูกเราทุกที่สา ถ้าเราไม่ตื่นตัว้นมาเพื่อเพื่อเดินขาดเอาไั้ถ้าเราจะทำยังไงล่ะโดยเฉพาะอย่างนิ่ในเรื่องของการเจริญสติในพระนรสติเราต้องต่องอาศัยความเปี่ยนที่เข้มข้นความเปลี่ยนทกวันนี้ปล่อยให้เดินตั้งแต่8โมงเช้ามาที้ให้เวลาเดินถึง5โมงเย็นเราเราดูที่ว่าเราเราได เราอย่ด้วยกันทำไมในระหว่านั้นอะไ ร, รไกิน <c oughs> มันมีนการต่อสู้ก <c oughs> ันอะยู่ในหนับเออเดีวนี้เรามา2ชั่วโมงแล้วจะถึงวันที่10นี้ไปจะถึงรุ่นนี้รุนี้ไปจากกัมันเลยอีกชั่วโมงมองาดวามมันเพราว่า ม, มันจริงยางแั่มันดีเออเดี๋ยวออกจากนี้ไปก็ไปว่า เราป็นคนสอนมิเนนีน <kom judge piano> ิิกาีตไม่รอแล้วหลายอย่างมันเป็นใจวเรานี่พูดถึงนจอารสัยตคนไม่มีคนนอกเาาเหปะ่มีมีุไม่มีหมาไม่มีอะไรต่างๆเข้ามาสร้างความุกแ่จัง รู้สิมันจะเป็นที่แน่ๆรู้ว่ามันไม่ลายหรอกนะ <c oughs> แขกขาพระวิหารขอพระวิหารที่มีา น, า น, าานาที่จะต้องตายด้วกาเิมให้ต้องตายล้วกรเิงกรมมันล้สุขดีหมตัวเียว่าเป็นเทพเทพที่ะดะ <c oughs> เรินงอ ครน้วครันี้บอกให้พวกเราได้วังว่าหนึ่งรูลงยาวใช่ไหมทำแล้วก็จะได้รูสั้นรูสั้นทำแล้วก็จะได้รูกายทั้ง่วงรูกายทั้งปวงทำแล้วก็จะได้รหยุดรงหยุดทำแล้วก็อยากเข้าสมบูรณนางก็คือจะมีวินดีแบบนีแล้ ว, นะดด ก, วก็สูง แล้วก็ติด่สัญญาแลวก็จินอันนี้นน ต, นนน ต, นนตาเรื่องของงา